ภาทุกะหนึ่งกุสลติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจาวาระเป็นต้นปัยจยะจตุกในหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยอ่อเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระอระมะณะัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. ส, สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัชซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัชซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสองวาระ อารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรกดด้วยวิจิกิจฉา อาศัยขันที่จรักโทษวิจิกิจฉ า, าเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมัคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสโดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยย่อ 4. นเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระน่ปุเรชาติาปัจจัยมีสองวาระละถึงนกักกรรมปัจจัยมีสองวาระ นวิปา ก, กปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ่งขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งเป็น อ, อกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะซึ่งเป็น อ, อกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ 6. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารอามนะณปัจจัยมีสาวาระทัศนบทมีหนึ่งวาระณทัศนบทมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระ บทที่มีทัศเนปหาตภะเป็นมูลมีหนึ่งวาระทัทสนะบทมีสองวาระเป็นอารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระบทที่มีทัศนะเป็นมูลมีหนึ่งวาระทัทสนะบทมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาตะปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอุปญญิสยปัจจัยมี dollars, dollars, สามวาระอายติวะนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอหารปัจจัยมีสองวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระละถึงอว mm ิคตตะปาจัยมีสองวาระย่อเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคซึ่งเป็นอพยยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคซึ่งเป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสซาจตาวาระและถึงปัญหาวาระท musician, doctrine, CA, mistake, so ุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ แปสิบสี่ภาวนายาปหาตาพะทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจตุกนัยแปดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคัตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อเหมือนกับอกุศลในทัศเนปหาตพัทุกะพึงขยายชาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัยสิสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นนภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอระมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคัตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสห ช, า, ชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระแปดสิบห้า ทัศนนปหาตัพะเฮตุกะทุกะหนึ่งกุศลเดกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจะตุกในสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสิสองสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมท totally. ีท่ท also, ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักและที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยมีสามวาระ นทัศนบทมีสองวาระขตนามีหนึ่งวาระยอ่อ13าเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระอวิชตะปัจจัยมีหกวาระยอ่อสิบสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมภค์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภคซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยย่อสิบห้านเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระ ละถึงนักธรร ม, มปัจจัยมีสี่วาระนวิปากะปัจจัยมีหกวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระยอ่อพึ่งขายายสหาชาตาวาระเป็นต้นให้พิจารณาสิบหกสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ สิเจ็ตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระทัศนบทมีหนึ่งวาระณทัศนบทมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีหกวาระละถึงอุปาณิสยปัจจัยมี9้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระ กรมปัจจัยมีสีวาระอาหารปัจจัยมีสีวาระอินทริยปัจจัยมีสีวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยอ่อสิปสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมกักซึ่งเป็นอัพยากฤิ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 ภาวนายะปะหาตาพภะเหตุกะทุกกะหนึ่งกุศลตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจิยะจตุกในสิบเกสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อรารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชจชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยีสิสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักบกึงบนสามซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันต้องประหารด้วยมักบึงบ น, นสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมาณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระย่อ เหมือนกับอกุศลในทัศเนนะปะหาตภะเหรตุกทุกะพึงนขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารทุกปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรกปื้มบนสามซึ่งเป็นนพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมากปื้อบนสามซึ่งเป็นนพยากฤาารรเ ต, ตก เ, กฤเกิดขึ้นเพราะเหตตุ ป, ปัจจัยย่อ เทตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณะณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระแปสเจ็วิตตกะทุกะหนึ่งกุศลเตกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยยี่สิบสาม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 สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อ ยี่ส je ิบสี่เหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระอวิคตตปัจจัยมีหกวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระย่อ เพื่อขยายสหชาติวาระละถึงสัมปยุตติวาระให้พิสดารเจปัญหาวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศล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 โดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีวิตกและท e ี่ไม <een> ่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิหเหตุปัจจัยมีสี่วาระ อารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระสามบทข้างต้นเป็นสหชาตาธิปติสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีหนึ่งวาระเป็นสหชาตาธิปติอานันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมานันตรปัจจัยมีเก้าวาระสชาตปัจจัยมีหกวาระและถึงอุปนิสยาปัจมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระ กรรมปัจจัยมีสวาระอาหารปัจจัยมีสวาระอินทรีย์ปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีหกวาระมัคคปัจจัยมีหกวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระอัธิปัจจัยมีหกวาระนัธิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อ นเหตุปัจจัยมีกลาวาระณอารมณปัจจัยมีกลาวาระย่อณอารมณปัจใจกับเนเฮตุปัจใจมีสี่วาระย่ออารมณะปัจจัยกัาายจจยบน เ, เหตุปัจจัยมีกลาวาระยอ่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศละตะกะอกุศลปทยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรม <ส consiste? S 1> ท, ที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อยี่สิบแปดเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละห้าวาระละถึง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 อาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะในะเหตุปัจจัยย่อสามสิบนเหตุปัจจัยมีสามวาระณนะธิปติปัจจัยมีห้าวาระนะกักกรรมปัจจัยมีสามวาระและถึงณวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระ ย, าย่อพึงขยายสหช า, าตะวาระเป็นต้นให้พิดารณาสามสิบเอ็ด สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อส2สสองเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระอนันตระปัจจัยมีก้าวาระและถึงสหชาตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอุปนิเสยปัจจัยมีเก้าวาระ อาศัวณ ah ัป ah ัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระและถึงฌานปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมำยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนัติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่ออพยากตะบด สาสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตราศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิต เกิขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอาริมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาเสวนปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาริมณปัจจัยมีสามวาระ นาธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงนาพูเรชาตปัจจัยมี9้าวาระละถึงนกรรมปัจจมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมี9้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคะปัจจัยมี9ก้าวาระนสัมปุุตปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระละถึงโนวิพตปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึงสามปยุตตะวาระให้พิสดารสาสิบหสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นนพยากฤิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิตกซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยอรมณะปัจจัยย่อ 36. เหตุปัจจัยมีสวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปิปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ ปุปนิสยปัจใจมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวะนปัจจใจมีเก้าวาระกามปัจจัยมี่วาระวิปากปัจใจมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมี่วาระละถึงชานะปัจใจมีเก้าวาระมัคคปัจใจมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระ วิปย hey. well, ุตตปัจจ sure ัยมีห้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัธิปัจใจมีเก้าวาระวิคตะปัจใจมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจใจมีเก้าวาระณอารมณ์ปัจใจมีเก้าวาระย่อณอารมณ์ปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระย่ออารมณ์ปัจจัยกับนเหตุปัจใจมีเก้าวาระ ย่อพึ่งขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลตึกกะแปดสิบปดวิจาราุกะหนึ่งกุสลตึกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจจะยจัตุกไนัย37สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศล อาสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์และที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสาสิบปดเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยอ่อเหมือนกับกุศลในสวิตกักระทุกกะพึงขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาสามสิบเก้า สภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีสามวาระสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์และที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ สีเฮตุปัจจัยมีหาวาระอารัมณปัจจัยมีหาวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหาวาระยอ่อเหมือนกับอกุศลในสวิตตกทุ ก, กะพึงขยายสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาสี่สภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัภยกฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยกฤิต เกิดข mm ึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัาพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ด้วยที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัาพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสี네่สอง เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระอายเสวนาปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อเหมือนกับอพยากฤษตในสวิตตะกะทุกะเพื่อขยายสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตวาร ing, ะให้พิสดาร สีสภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นอัภยากฤตโดยเหตุปัจจัยย่อ gar. 44. เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอุปานเนสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระ SM อสวนะนปัจจัยมีห้าวาระ กรรมปัจจัยสี่วาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหาระปัจใจมีสี่วาระอินทริยะปัจจัยสี่วาระชานะปัจจัยมีห้าวาระมัคคะปัจจัยมี่วาระสัมยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นาอารมณปัจจใจมีฆ่าววาระยอ่นอนอารมณปัจจัยกั บ, เ, กจจ เ, จจกบเหตุปัจจัยมีเสวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจใจมีฆ่าววาระย่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนกับปัญหาวาระในขุสละติกะแปสิบเก้าสปีติกะทุกกะหนึ่งขุสละติกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจะตุกนาย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 เทตุปัจจใจมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อหน้าที่ปฏิปัจจัยมีหกวาระณปุเรชาตะปัจจใจมีหกวาระละถึงณปรมปัจจัยสี่วาระณวิปยุตตาปัจจัยมีหกวาระย่อพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณ์ สีสเจสภาวธรรมที่มี ah ปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยย่อย <Without> <TION> 48เหตุปัจใจมีสี่วาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจใจมีเก้าวาระเฉพาะสหชาตาธิปติมีสี่วาระอนันตรปัจใจมีเก้าวาระสมนันตรปัจใจมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีหกวาระละถึงอุปาณิสีปัจใจมีเก้าวาระอาเสวะณปัจใจมีเก้าวาระกรมมปัจใจมีสี่วาระ อาหารปัจจัยมีสี่วาระหินตรีย์ปัจจัยมีสี lost, east, ans, ่วาระชานะปัจจัยม well> ีหกวาระมรคปัจจัยมีสี่วาระสัมยุตตปัจจัยมีหกวาระอธิปัจจัยมีหกวาระนาฏปัจจัยมีเ้าวาระวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตาปัจจัยมีหกวาระย่อนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีเ้าวาระ ย่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจใจมีสี่วาระย่ออารมณปัจใจคำณ์ณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลตึกกะอกุศลบทเหตุปัจใจสี่สิบเก้าสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอกุศล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 อารามณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อเหมือนกับกุศลพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารอพยากตะบทเหตุปัจจัยห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีปีติและที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นอภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระย่อห้าบสองเหตุตุปใจนิฆ่าวาระอรมาณปัจจัใจนิฆ่าวาระ ละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระอาสวัณะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงณปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระณอาสวัณะปัจจัยมีเก้าวาระ นกกรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนกมรรคปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระและถึงโนวิกตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อ ซึ่งขยายสหาชาติวาระเป็นต้นให้พิสดารห้าสบสาสภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปีติซึ่งเป็นนภยากฤิโดยเหตุปัจจัยย่อห้าสิบสเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเ้าวาระละถึง ทุกปัจ hmm. ัยมีปัจใจและเก้าวาระอุปาณิเสยปัจใจมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระหาเสวนปัจใจมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมี่วาระวิปากปัจใจมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมี่วาระอินทรียปัจจัยสี่วาระชานะปัจใจมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมี่วาระ จำปยุตตะปัจัยมีหกวาระวิปยุตะปัจจัยมีห้าวาร ะ, ร ะ, จจาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปั จ, จัจมีเก้าวาระย่อเก้าสิบถึงเก้าสิบเอ็ดปีติสหกตะทุกะเป็นต้นหนึ่งบชละถึกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกน5ยห้าสิบห้าและถึง อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลละถึงกุศลอ ก, ก so ุศลและอภิยกฤิตเหมือนก <Conservative>. ับส <5 66 S 1> ัปปีติกะทุกะห้าสิบหกละถึงอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกุศลละถึงกุศลอกุศลและอภิยกฤิตเหมือนกับสัปปีติกะทุกะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละถึงในปัจจนิยะ นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤษตในปัจจนิยะนาเหตุปัจจัยมีก้าวาระนาชาณะปัจจัยมีหกวาระพึงเพิ่มปัจจัยที่เหลือกุศลบทและอากุศลบทในปัญหาวาระในปัจจนิยะอินทริยะปัจจัยและชาณะปัจจัยมีสองวาระแต่อพยกตาบทในปัญหาวาระมีก้าวาระ 92. อุเบกขาสหากตะทุกะหนึ่งุศละตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกไนห้าสิบเจ็ดละถึงอาศัยสภาวะธรรมที่สหโรโคโดเบกขาซึ่งเป็นกุศลมีหกวาระเหมือนกับสั ป, ปีตุกะทุกะบทว่าอุเบกขาได้แก่อุเบกขาต่างๆในอัพยกตะบทในปัจจนิยะ ณเหตุปัจจัยมีห้าวาระาาณฌานะปัจจัยมีหกวาระห้าสิบปดสภาวธรรมที่โสหรรคดูเบิขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหรรคดูเบิขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและหกวาระยอ่อห้าจุ้า สภาวธรรมที world, ่ cycle, the the สหะรโคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่โสหะรโคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุกปัจจัยสภาวธรรมที่สหะรโคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหะรโคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่สหะรโคโดเบกขาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สหะรโคโดเบกขา และที่ไม่โสหรรคโดเบคาซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้น เ, นเพราะนาเหตุปัจจัยย่อห0สินาเหตุปัจจัยมีสามวาระน่าธิปฏิปัจจัยมีหกวาระและถึงนาวิบยุตตะปัจจัยมีหกวาระยอ่อทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารอย่างนี้เหมือนกับสัปปีติกะทุกกะห1สเอดสภาวะธรรมที่โสหรรคโดเบขาซึ่งเป็นอพยากฤต อาศยสภาวธรรมที่จะหรโคดูเบดขาซึ่งเป็นอพยกฤิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเก้าวาระเหมือนกับอพยกฤิดในสับ ป, ปีติกะทุกะปุสละบทและอคุสละบทในปัญหาวาระอินทรียะปัจจัยและชาณะปัจจัยมีหกาวาระแต่อพยกตะบทในปัญหาวาระมีเก้าวาระ